รายได้จากค่าตอบแทนและโบนัสรางวัล น, นี่เป็นรายได้หรือค่าตอบแทนอีกทางในธุรกิจโฟร์ไลท์ของคุณรายได้จะมาจากการนับยอดคะแนน LP ที่มีในสินค้าโดยสินค้าแต่ละตัวจะมีคะแนนกำกับเพื่อใช้เป็นค่าชิดคำนวณรายได้ให้กับผู้จัดจำหน่ายโฟร์ไ g ท์นับคะแนนให้คุณทั้งองค์กรของคุณซึ่งจะจ่ายให้สูงสุดถึง64เอร์เซ โดยจะจ่ายให้คุณอย่างรวดเร็วในเวลาชั่วข้ามคืนเท่านั้นเอง